ให้พวกเราตั้งใจที่จะกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะอังชรีวันธนาอภิบอกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่25้าของสเตียนธรรมสถานพวกเราซาบซึ้งที่เราได้พบสมณะที่สงบเย็น เราถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดในการพบท่านอาจารย์และเนื่องจากว่าปีนี้เป็นพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตัสรู้ธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราที่มารวมกันหน้าที่นี้ตั้งใจที่จะปฏบิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเจค่ะ หรือเป็นการปฏิบัติที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดถ้าคำสอนของท่านอาจารย์ในวันนี้จะส่งเสริมให้พวกเราได้รู้ว่าการปฏิบัติที่สมควรค้อมทำอย่างไรซึ่งเรามีเด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งอยู่กับพวกเราด้วยคือกลุ่มที่จะบวชพุทธสาวิกาภาคฤดูร้อนเ้าค่ะไปจนถึงนิสิตของสาวิกาสิขาลาย mm hmm. อตอนนี้การเติบโตของสาวิกาสิขาลายเข้าสูง ปีที่5เจ้าค่ะเรามีนักศึกษาที่จบปริญญาโทและฝังตัวปริญญาเอกพุทธศาสตรอยู่สิคนอยู่ที่อินเดียสองอแล้วนอกจก็อยู่ที่สถาบันที่มอจรอนะเจ้าค่ะแล้วเราก็คิดว่าสตียนธรรมสถานซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่เลือกที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีสํานึกว่าเราเป็นที่ดา ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราฉลาดในทางแล้วฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางวันนี้ท่าอาจารย์มาเหมือนกำลังที่จะบอกให้พวกเราได้ยืนยันกับตัวเองด้วยความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าท่าอาจารย์เป็นครูบาอาจาร์ของพวกเราและทุกครั้งที่ท่าอาจารย์มาเราก็มักจะค้นควายในการปฏิบตัติซึ่งถือเป็นความกตัญญูต่อท่านอาจารย์ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่พวกเราทาได้นะ<ส>าค่ะ นันวันนี้เนี่ยขอท่าอาจารย์ได้ทั้งขนาดได้ทั้งชี้ชวนวิงวอนที่จะทำให้พวกเราที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นคนหนุ่มสาวโดยส่วนใหญ่ได้รู้ว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเจ้าค่ะกัดนวลท่านอาจารย์นะจะค่ะเชิญเปนพรท่านแม่ฉีกับชาวเสถียรธรรมสถานทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่ออนุโมทนากับ ท่านแม่ชีมานานแล้วคือทุกวันนี้สังคมเรามันมีแต่ความร้อนรอนด้วยกิเลสทำลายกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันทุกคนทุกแห่งคุณแม่ชีก็เหมือนจุดเล็กๆในสังคมพวกเราชาวพุทธเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นแหละที่พยายามจะสร้างความร่มเย็นให้มันเกิดขึ้นท้ามกลางความร้าร้อน เหมือนโอเอซิสเล็กๆในทะเลทรายโลกทุกวันนี้เป็โลกของกิเลสไม่ใช่โลกของสติปัญญาของมนุษย์กิเลสมันคลองโลกไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าอุตส่าห์ตรัสรู้มาอย่างยากลําบากมากกว่าท่านจะตรัสรู้ไดนะ้ท่านตายแล้วตายอีกสร้างคุณงามความดีมาไม่หยุดหย่อนตรัสรู้แล้วธรรมะเพิ่งสืบทอดมาได้นิดเดียวสอง0ั 2, ปี สั้นนิดเดียวนะเมื่อเทียบกับความพยายามของท่านที่ท่านทุ่มเทมาคนรุ่นอย่างท่านแม่ชีอย่างหลวงพ่อนี่เป็นรุ่นที่เรียกว่าใกล้ฝั่งลแล้วเราก็พยายามนะทั้งท่านแม่ชีทั้งหลวงพ่อยพยายามที่จะรักษาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดไปให้กับคนรุ่นต่อไป คุแม่ชีหรืออย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะว่าเราจะไม่ปล่อยให้แสงปฏิทีภของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับลงในมือของเรายัางไงเราก็ต้องพยายามส่งทอดให้คนรุ่นหลังๆให้ได้ที่นี่ก็ใกล้ๆที่วัดหลวงพ่อคือสัดส่วนของคนหนุ่มคนสาวสัดส่วนของเด็กเนี่ยสูงบางแห่งนะสัดส่วนผู้สูงอายุมากเวลา ไม่ใช่ว่าคนแก่ภาวนาไม่ได้นะแต่ว่าภาวนาได้แล้วเวลาที่จะได้สร้างแสงสว่างสืบทอดแสงสว่างไปสู่โลกมันไม่ยาวมีไม่มากมเวลาของหลกงพ่อเวลาของท่านไม่ชีพเหลือไม่มากพวกเราจะต้องพยายามรับแสงสงว่างอันนี้ต่อไปให้ได้ทุกคนต้องตั้งใจไว้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องทำสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ เราต้องทําสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับตนเองประโยชน์กับผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ก่ตัวเราเองคือเราต้องศึกษาธรรมะหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนชาวพุทธมีหน้าที่ศึกษาคนที่ไม่ต้องศึกษาก็เป็นพระลรหันเท่านั้นเมื่อเราศึกษาเราเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่บอกต่อส่งธรรมะสืบทอไปอย่าให้มันขาดเราในช่วงของเรานะ เราจะอับอายขายหน้าพระพุทธเจ้าอับอายขายหน้าบรรพุกุลุษเรานะเรารักษากันมาได้การจะศึกษาธรรมะการจะรักษาสืบทอดธรรมะเนยะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เป็นงานที่เขาทำกันด้วยชีวิตจริงๆสมัยอายุทยานี่ยที่ลังกาศาสนาพุทศูนไปพระก็ขวนขวายให่เจ้าเป็นดิน เขาขนไกว่ในการจะรักษาธรรมะนะยำส่งทูตมาขอพระจากเมืองไทยไปสมัยพระเจ้าบรมโกศมั้งใช่ไหมคุณแม่พระก็ไปนะแล้วไปเรือแตกมรณภาพหมดเลยผ่านไปสองสามปีพระยังไม่ถึงลังกาเขาก็มาอีกมาขอพระอีกพระเราก็ไปคือถึงจะลําบากถึงจะเสี่ยงภัยนะท่านก็ไปกันนี่พวกเราเนี่ยมาถึงรุ่นเราเนี่ย ตื่ขึ้นมาลืมตาขึ้นม า, นมาเกิดมานะเราก็รู้จักศาสนาพุธอยู่แล้วจนเราชาชินเราไม่รู้ว่าสาคัญแค่ไหนมีคุณค่าแค่ไหนถ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติธรรมนะอย่างสมควรแก่ธรรมแล้วเราท่องแท้ในธรรมแล้วเนะี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะรักปณิธานของท่านนะรักท่านเราก็จะต้องสืบทอดปณิธานของท่านออกไปให้ได้เน่หน้าที่พวกเราเรียนให้รู้เรื่องนะ ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะแล้วเราปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมอันแรกต้องรู้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วคนระาวนี้ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมท่องทุ่มเทกันถ้าทำหย่อหย่อมใหญ่ๆไม่ได้กินหรอกธรรมะไม่ใช่ของเล่นเล่นกว่าคนคนหนึ่งจะเอาชนะกิเลสได้นะไม่ใช่เรื่องง่าย กิเลสกรองโลกมานานแล้วได้ยังกรองต่อไปอีกนานๆจะเกิดธรรมะขึ้นสักช่วงหนึ่งช่วงเวลาที่ธรรมะดำรงอยู่นั้นไม่นานแต่พวกเราอยู่ต้องเรียนให้ดีนะเรียนให้แม่นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเขาทำกันอย่างไรหลังจากนั้นก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากหรอกนะหลักของไตรสิกขาพวกเราต้องยึดเอาไว้ให้เหนียวแน่น หลักของศีลสิะศึกษาหลักของจิตสิกษาหลักของปัญญาศิกขาศีล ส, สมาธิปัญญานั่นเองที่เราต้องพัฒนาขึ้นในจิตใจของเราให้ได้เมื่อเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วคราว น, นี้ต้องทุ่มเทอย่างการรักษาศีลทํำยังไงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าจะรักษาศีลให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมคือต้องยอมตายเพื่อรักษาศีลได้ ต้องถึงขั้นนั้นสละได้ถึงขนาดเสียชีวิตก็ไม่ยอมให้เสียศีลต้องขนาดนั้นนะถึงนี้เว่าสมควรแก่ทำจริงๆทํายังไงเราจะฝึกจิตให้สมควรแก่ทำเราต้องฝึกจิตของเราให้ตั้งมัน่นไม่ใช่ฟุ้งตามกิเลสไปเรื่อยจิต ใ, ใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวต้องรู้สึกตัวคุณแม่ท่านสอนเรื่อยๆนะให้อยู่อย่างคนที่รู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัว ถ, ถึงจะนั่งสมาธิเข้าฌานเก่ง ก็ยังไม่เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องในหลักของพุทธศาสนาเพรดังนั้นเราอย่าปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งดังนะจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกระตัวนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสมาธิให้สมควรเกียรติธรรมะถัดไปก็ถึงขั้นเจริญปัญญาให้สมควรเกียรติธรรมะต้องเรียนรู้ความจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์นี้ให้แจ่มแจ้งถ้าเข้าใจธาตุการแจ่มแจ้งเราจะรู้จักพระพุทธเจ้า เราไม่เข้าใจใกายนี้ใจนี้ของตนเองนะเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารเราพูดแต่ปากนะเรากราบพระพุทธรูปเรากราบได้แต่ก้อนอิฐก้อนหินเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรแต่ถ้าเราเจริญปัญญานะปัญญาเราแก่รอบจริงเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าเราจะรู้จักธรรมะของท่านเราจะรู้เลยว่าพระสงฆ์ก็มีจริงๆนี่คือขอบเขตทั้งหมดที่หลวงพ่อจะคุยให้พวกเราฟังวันนี้ อันแรกเลยเราต้องมารู้จักเรื่องศีลให้ดีก่อนศีลสาคัญมากนะศีลแต่ศีลที่จําเป็นที่สุดก็คือศีลห้าศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยถ้าขาดศีลห้าเราก็คือขาดมาตรฐานขั้นต่ําของมนุษย์ไปแล้วจะต้องรักษาศีลห้าไว้ศีลในอริยมรรคนะเอี่ยดูถูกศีลห้านะสัมมาวาจากมันก็คือศีลข้อสี่สัมมากรรมมันตะศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามส่วนศีลข้อห้า สีนข้อห้าก็คือมีสตินี่เป็นตัวช่วยจะทําให้การรักษาศีลข้ออื่นได้ดีการทําสมาธิทําได้ดีการเจริญปัญญาทําได้ดีร้าขาสติตัวเดียวนี้สีสมาธิปัญญาล่มไปหมดเลยใช้ไม่ได้เบื้องต้นให้เราตั้งใจรักษาศีลไว้ยอมจะเป็นจะตายอย่าให้เสียสีลต้องตั้งใจอย่างนี้ไว้ถ้าตั้งใจให้ให้เด็ดเดี่ยวให้แน่วแน่ไป ต้องกล้านะต้องกล้าเสียสละนี่การรักษาศีลถ้าอยู่อยู่เราไปขอศีลจากพระแป๊บเดียวก็คืนพระแล้วเราต้องรักษาจิตให้ดีอาศัยสตินะคอยรักษาจิตของเราไว้จิตของเรานี่แหละมันจะพาให้เราทําผิดศีลคนที่ทําผิดศีลห้าได้นะเพราะว่าไม่รักษาจิตเอาไว้จิตถูกกิเลสครอบงำคนก็ทําผิดศีล น, นั่นเรามีสตินะคอยรู้เท่าทัน กิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราคอยรู้ทันกิเลสได้เกิดขึ้นจิตใจคอยรู้ทันเอาไว้ราคะเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันอย่างเราเห็นของสวยของงามเราอยากได้ความโลภเกิดขึ้นความโลภเกิดได้ไหมความโลภเกิดได้จิตเป็นอนัตตาความโลภก็เป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ความโลภจะเกิดแต่ว่าเรามีสติรู้ทันความโลภที่เกิดขึ้นความโลภมันจะครอบงําจิตไม่ได้ถ้าเราไม่ถูกความโลภครอบงำจิตนะ เราก็ไม่ทําร้ายใครเพื่อจะไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติเขาหรือคนรักเขาเราไม่ทําร้ายเขาที่ศีลข้อหนึ่งก็มีไม่ไปลักไปขโมยเขาไม่ประพฤติ ผ, ผ, ผิดในกรรมนะไม่โกหกกลิ้นปล่อนหลอกลวงเขาที่ศีลมันมาเองใช่หรือความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตเรามีสติรู้ทันความโกรธอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมันไม่ยากหรอกที่เราจะคอยรู้ทันจิตใจของเราตอนนี้ใครๆก็รู้เป็น เนีความโลภเป็นไงเราก็รู้จักความโกรธเป็นยังไงเราก็รู้จักใช่ไหมดีใจเสียใจอะไรที่เกิดในใจเราเรารู้จักเท่านั้นแหละปัญหาใหญ่คือเราละเลยที่จะรู้เพราะฉะนั้นถ้าความโกรธเกิดในใจเรารู้ทันความโกรธจะครอบงำจิตไม่ได้ความโกรธเนี่ยครอบงำจิตได้ตอนเผลอเท่านั้นกิเลสเนี่ยครอบงำจิตได้ตอนเราเผลอตอนเราขาดสติถ้าเรามีสติอยู่ความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันความโกรธจะดับทันทีเลย เมื่อความโกรธดับนะเราก็ไม่ไปทําร้ายไข่เพราะความโกรธไม่ไปทําลายทรัพย์สินเขาเพราะความโกรธไม่ไปประพฤติผิดในการมเพราะความโกรธประพฤติผิดในการมเพราะโกรธก็ได้นะเกลียดเขาก็ไปหลอกลูกเขาอะไรนี้หรือไปด่าเขาไปหลอกลวงเขาไปพูดป้อยอให้เขาเสียผู้เสียคนเพราะเกลียดเขาก็ทําได้เนะีงั้นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวทําให้เราทําผิดศีลเราต้องรักษาจิตของเราไว้มีสติ ร, รักษาจิตไว้หนึ่ง กิเลสใดเกิดให้รู้ทันนะคอรู้ทันไปได้่กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสครอบงำขีมไม่ได้ศีลมันมีเองนะถ้าจะนั้นมาฝึกจิตต่อให้จิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิจิตรู้เดีย๋ยรู้ตัวอย่าปล่อยจิตล่องลอยคนในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งตามเบคใครหรอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวจริงหายากมากเลยนี่สมัยก่อนหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเนี่ยหายากมากมันมีแต่คนหลง ตื่นขึ้นมาเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมาเขาคิดทันทีใช่ไหมคิดแปรอดีตคิดแปรอนาคตเราลืมปัจจุบันเราหลงไปหนะลงไปอดีตหลงไปอนาคตเราทิ้งการที่จะรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจไหลไปตลอดเลยบางทีอยู่กับปัจจุบันนี่ก็ยังหลงอีกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตเคลื่อนที่ได้ เคลื่อนไปอดีตก็ได้เคลื่อนไปอนาคตก็ได้เคลื่อนไปทางตาก็ได้เคลื่อนไปทางหูก็ได้เคลื่อนไปคิดก็ได้อย่ยวพวกเราดูพระพุทธรูปเราจะดูจิตที่เคลื่อนไปสังเกตดูพระพุทธรูปองค์นี้มีนาคอ ย, อยู่กี่เสียรดูสิสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่พระนึกออกไหมสังเกตออกไหมจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่พระพุทธรูปในขณะที่เราเห็นพระพุทธรูปนะจิตเราก็ไหลไปที่พระพุทธรูป นี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นละถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นก็แค่เห็นเท่านั้นเองนะจิตจะไม่เคลื่อนไปจิตจะเป็นคนดูตั้งมั่นเด่นดวงอยู่แนั้นเองเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ให้ได้นะทั้งวันทั้งวันเนี่ยพยายามฝึกจิตที่ไม่เคยฝึกเนี่ยไหลตลอดเวลาไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดมีแต่เรื่องจิตที่ไหลไปตลอดจิตที่ไหลไปนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้เราไม่สามารถเจริญปัญญาได้ เวลาจิตไหลไปนะเรามีกายเราก็ลืมร่างกายนะเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเวลาเราต้องพยายามอย่าให้จิตมันหลงไปพยายามรู้สึกตัวนะร่า ง, งกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่จะไปบวชชีบวชอะไรกันนะเราจะบวชแล้วก็รักษาจิตให้มีสติคอยรู้ตัวไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้ น, น, นเรารู้นะอยากกินข้าวเย็นเรารู้นะอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้แต่กินไม่ได้ ถ้ากินแล้วเสียศีลไม่ตายหรอกถ้าตายถ้ากลา้าตายเพื่อรักษาศีลอยอดที่สุดเลยสมัยพุทธกาลก็เคยมีนะเขาเป็นคนรับใช้ของอนาถปินฑิกะไปทํางานหนักเลยแล้ววันนั้นเป็นวันอุโบสถปกติว่านอนาถปินฑิกะเนี่ยพอถึงวันวันพระเขาไม่กินข้าวเย็นกันไม่ใช่แกขี้เหนียวหรอกไปรักษาศีลลูกน้องก็ปล่อยรักษาศีลตามหัวหน้าไปด้วย นี่วันหนึ่งคนงานเนี่ยไปทํางานหนักมาเหนื่อยกลับมานะกลับว่าจะกลับบ้านแล้วจะมากินข้าวนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันพระนะจะไม่กินนะแล้ววันนั้นเป็นลมตายวันนั้นเลยเี่เขารักษาศีลกันขนาดนี้นะพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่ได้ทํางานหนักไม่ต้องกลัวอดข้าววันสองวันไม่เป็นไรหรอกเนี่ยตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวนะแล้วก็ไปบวชชี มีสติไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสที่ร้ายมากเลยนะคือจะทำให้ปากไม่ดีผู้หญิงมารวมกันนะอยาให้เ้าติเตียนได้นะผู้หญิงสังคมชอบติเตียนว่าผู้หญิงปากไม่ดีปากมากชอบทะเลาะ ก, กันอนะไรเนียจริงเรามีสติ้รู้ทันใจของเรานะปากไม่มากหรอกเรามีปากเดียวถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะแล้วก็พยายามรู้สึกตัว อยากให้ใจลอยรู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกตัวเหมือนที่คุณแม่ท่านสอนนั่นแหละย้งรู้สึกตัวไปการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานี่การเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดคิดเอาการเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าของจริงเป็นยังไงของจริงในร่างกายนี้เป็นยังไงของจริงในจิตใจนี้เป็นยังไงต้องไปดูของจริง การไปดูของจริงเนี่ยจะทำให้เราเห็นพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไปอย่างบอกว่าถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารสังขารคืออะไรก็คือกายกับใจของเรานี่เองถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารคือเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราจะเบื่อหน่ายในทุกนะนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นสังขารคือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เป็นของที่ถูกบีบคันอยู่เรื่อย เราจะเบื่อหน่ายในทุกขนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นทั้งสังขารและก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าเห็นได้อย่างนี้เราก็จะเบื่อหน่ายในทุกขนี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละคือหลักของการเจริญปัญญาหลักของการเจริญปัญญาก็คือการเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเราจะเรียนอนิจจังทุกขังอนัตตาของอะไรของสังขารคือกายกับใจของเรานี่เอง ส่วนธรรมม า, ส, د, ม Culture, าสัพเพธรรมานัตตานะธรรมานี้รวมทั้งสังขารและวิสังขารวิสังขานี่พวกเรายังไม่เคยเห็นวิสังขารคือพระนิพพานพวกเราอย่าไม่เห็นเราเห็นแต่สังขารเมื่อเราเรู้จักแต่สังขารเราเรียนเรื่องสังขารคือเรียนเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละดูลงไปให้เห็นในความจริงของกายว่ามันเป็นอนิจจังถ้าบางคนเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจังเห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นอนิจจัง ก็จะเบื่อหน่ายในกายในใจหมดความยึดถือในกายในใจนี้สลัดคืนกายคื น, ค น, ใ, นใจให้โลกไปเมื่อคืนกายคื น, ค น, ใ, นใจให้โลกไปเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะบางคนก็เห็นเกิดความเป็นทุกข์เห็นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นเป็นของทนอยู่ไม่ได้เห็นจิตใจนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นแ ม, ม้ใจแต่ละคนเหมือนลิงวอกแวกวอกแวกให้มันอยู่นิ่งอยู่ไม่ได้นะมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นด้วยความอยากตลอดเวลาเลย ถ้าเราเห็นความจริงเลเออร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของดีนะถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจก็ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้จะเบื่อหน่ายเบื่อในกายในใจนี่เรียกว่าเรียกเบื่อในทุกกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกอย่าไปหาทุกที่อื่นเลยทุกก็คือตัวกายกับใจของเรานี่แหละดังนั้นท่านถึงสอนนะว่าถ้าเราเห็นมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายในทุกตัวสังขารคือกายกับใจก็คือตัวทุกนั่นเอง ทุก็อยู่ที่กายทุก็อยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นหรอกนหน้าที่ของเราเจริญปัญญาก็คือมาคอยดูความไม่เที่ยงของกายของใจดูความเป็นทุกข์ของกายของใจดูการบังคับไม่ได้ของกายของใจร่างกายเราบังคับได้ไหมสั่งไม่ให้โตก็ไม่ได้นะสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้แล้วบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันเราสั่งให้สุขนะมันก็ไม่ค่อยจะสุข เราห้ามมันทุกมันก็จะทุกข์ในชะ่ไหมเราสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีห้ามชั่วมันก็ชอบชั่วซะอีกนะสั่งให้มันสงบมันก็ฟุง้งซ่านสั่งให้มันตั้งมัน่นมันก็ไหลไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราสั่งไม่ได้มาให้คอยดูความไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เป็นอนัตตาของกายของใจตัวเองอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา ต้องเรียนกายเรียนใจของตัวเองไม่ใช่เรียนของคนอื่นตัวนี้สําคัญนะถ้าพวกเราเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกอันนี้แล้วเนี่ยเราจะรักษาพระศาสนาไว้ได้ลําพังแค่ทําทานรักษาศีลนั่งสมาธินะ่ะไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่แล้วคุณงามความดีระดับนั้นแต่ในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะถึงจะเกิดคําสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่เองก็คือการที่เราต้องมีสตินะ รู้กายรู้ใจของเราตามที่มันเป็นมันเป็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูความจริงของกายดูความจริงของใจจนจิตเนี่ยยอมรับความจริงของกายของใจได้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจะยึดทำไมร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงจะยึดทำไมร่างกายนี้เป็นทุกข์จะยึดทำไมร่างกายนี้ควบคุมมันไม่ได้จะยึดทำไมนะจิตใจมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างขณะ น, นี้พวกเรารู้สึกไหมพอเด็กเดินมา คลานมาเนี่ยจิตเราไหลไปที่เด็กนึกออกไหมเห็นไหมลืมตัวเองแล้วนะเราลืมกายลืมใจของเราเราเห็นแต่เด็กบางทีก็ห่วงเด็กอะไรนะใจมันวิ่งไปที่เด็กเนี่ยเราลืมกายลืมใจเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนะเรียกว่าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นนะลืมตัวเองพอลืมไม่ลืมตัวเองเรารู้สึกตัวเองนะก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ นี่ทำไงนี่เรียกว่ารู้หลักของการปฏิบัติแล้วต่อไปก็ต้องเมื่อปฏิรู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนะต่อไปต้องปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทารู้หลักแล้วไม่ปฏิบัติบางคนไม่เอาไหนเลยนะบางคนรู้หลักของการปฏิบัติแล้วบอกว่าเดี๋ยวไว้แก่ๆ แ, แ, แล้วจะปฏิบัติแก่แล้วจะปฏิบัติอะไรไหวล่ะนะจิตนี้เคยชินที่จ ะ, ตะเตลเิดเปิดเฟิงหลงโลกมาตั้งเท่าไหร่เทนะ่าไหร่แลคิดเลอว่าจะไปปฏิบัติได้ง่ายๆไม่ง่ายเลยนะ ต้องปฏิบัติซตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนี่แหละดีที่สุดสมัยพุทธกาลก็มีนะตอนปลายปลายพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้ภิกษุดูมีขอทานสองสามีพัญญาขอทานอยู่หน้าวัดท่านบอกเลยว่าคู่นี้ความจริงบา ร, รมีถึงขั้นจะเป็นพระอรหันต์ถ้ายัางหนุ่มยังสาวนะออกมาบวชเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปตั้งนานเนะี่ย ท่านก็บอกนะว่าถ้ากลางกลางคนมาบวชนะจะได้พระอนาคาคาได้พระสะกท า, าคาอนะไรเนี้ยตอนแก่แล้วทรัพย์สมบัติยังไม่วอดวายนะถ้ามาบวชแล้วยังได้โสดานะตอนนี้ทรัพย์สินวอดวายหมดแล้วนะชีวิตล้มเหลวไปหมดแล้วปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสมาหลาย10ปีแล้วเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้กระทั่งโสดาแล้วงันะ้พวกเรายัางหนุ่มอย่างสาวใหท่านอย่าปล่อยโอกาสให้สูญเปล่าไป การที่เราฝึกปฏิบัติธรรมนะั้นเราฝึกรู้จับ ก, กายรู้จักใจของตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนียเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญท่านสอนบอกว่าอดีตนะมันผ่านไปแล้วอย่าตามอะไรอาวร์ถึงอดีตเพราะอดีตนั้นมันจบไปแล้วอย่าไปห่วงอะไรอย่าไปกังวลถึงอนาคตนะเพราะอนาคตยังไม่ถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันนะดูสภาวาธรรมก็คือกายกับใจของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ให้จิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะคอยรู้กายคอยรู้ใจอยู่ไม่คลอนแคลนหลงไปที่อื่นเสการที่เรามีสติคอยรู้กายรู้ใจของเราอยู่เนี่ยท่านบอกว่าแม้กระทั่งเรามีชีวิตวันเดียวด้วยความรู้สึกตัวเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจเรื่อยไปมีชีวิตวันเดียวก็ควรชมลนะดีกว่าคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยรู้สึกกายรู้สึกใจนะั่นนี่งานอันนี้เป็นงานสําคัญนะ ขนาดรู้สึกตัวดูกายดูใจได้หนึ่งวันเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างสารรเสริญเลยถ้าเรารู้ได้ทุกวันนะท่านจะสรรเสริญขนาดไหนถึงวันหนึ่งนะท่านจะบอกเลยว่านี่เป็นลูกของท่านนี่ลูกสาวท่านคนไหนที่ท่านบอกว่าเป็นลูกท่านก็คือเป็นพระอริยะบุคคลนะพระยะมีจริงๆนะคนทางไปสู่ความเป็นพระอริยะก็มีจริงๆไม่ได้สูญหายไปไหนแต่หาคนที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะจริงๆอะปฏิบัติทําให้สมควรแก่ธรรมนี่ยากเหลือเกินนะ สู้กิเลสไม่ไหวดังนั้นเราต้องตั้งใจนะว่าเราจะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมยอมตายไม่ยอมผิดศีลทำได้ไหมรับปากหลวงพ่อง่ายนะแต่ทำยากเดี๋ยวก็ผิดแล้วพูดเพ้อเจ้อผิดศีลนะใครเคยพูดเพ้อเจ้อบ้างมีไหมใครไม่ยกมือก็คือพวกมูสาวาดหนักกวี <laughs> พูดเพ้อเจ้อรือพูดในขณะที่ไม่จาเป็นต้องพูด เรียกว่าพูดเพเจอร์ใครพูดสอดเสียดให้สอดเสียดยุให้เขาทะเลาะ ก, กันะอันนี้อาจจะน้อยหน่อยใครพูดคําหยาบมีไหมผู้หญิงก็พูดคําหยาบนะหลวงพ่อเคยหลงเข้าไปห้องน้ําผู้หญิงที่สามปั๊มน้หมัก็เขียนคำหยาบไว้ก็เหมือนกันก็มีเหมือนกันนี่ก็ผิดศีลเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราต้องรักษาศีลให้ได้นะตั้งใจให้เด่นเดียวรักษาศีลให้ได้ยอมตายไม่ยอมผิดศีลเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะ หลัดจากนั้นนะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยตามใจกิเลสกิเลสนะเราตามใจมนะันนั้นเราเผลอเผลอเพลินเลิเล น, ล น, ลนมีความสุขนะมันหอมหวานในเบื้องต้นนะมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายถ้าเราผิดศีลขึ้นมาพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยพูดง่ายๆว่าอย่าใจลอยแต่ว่าห้ามได้ไหมไม่ให้ใจลอยห้ามไม่ได้เราต้องฝึกฝึกยังไงเบื้องต้นหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปบวชชีแล้วนะ หาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปเดินจงกรมก็ได้ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ถ้าเดินแล้วใจล่องใจลอยไปที่อื่นไปอดีตไปอนาคตไปดูนกดูไม้อย่างนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่นะถึงจะเดินจงกรมสามชั่วโมงนะแต่ใจหลงไปอดีตไปอนาคตเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติสักนาทีเลยนะไม่ได้เรื่องเลย งันทุกเก้าแยงที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเรื่องเราเราปฏิบัติอยู่ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งที่ได้ก็คือสมาธิจิตจะได้สมาธิขึ้นมานั่งอยู่นั่งด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวคนไหนชอบฝึกอานาปนาสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจให้สงบนะส่วนใหญ่ชอบไปหายใจเอาแค่สงบมันตื้นเกินไปถ้าไม่ไม่รู้สึกตัวนี่ไม่สามารถจเจริญปัญญาต่อได้และสงบเฉย เดินก็เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่งก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวทุกๆอิริยาบถมีความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวกินอาหารรู้สึกตัวขับถ่ายรู้สึกตัวนะเหี๋ยวซ้ายแลกว่ามีความรู้สึกตัวบ่อยบ่อหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องหาทุกอย่างนะคนไหนถนัดที่จะรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทัน คนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปแล้วจิตหนีไปจิตรู้ทันจิตไจะตั้งมั่นกลับมารู้สึกตัวได้ตรงนี้แหละที่คุณแม่ท่านสอนหลวงพ่อฟังท่านมาสมัยเป็นโยมก็ฟังนะเปิดโทรทัศน์ฟังตอนนั้นท่านสาวกว่านี้นะแต่ท่านไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกท่านไหวงามจริงๆเลยนะท่านก็สอนให้ให้รู้สึกตัวนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้ น, นเป็นจุดตั้งต้นเลยถ้าเรารู้สึกตัวได้ต่อไปเจริญปัญญา แค่ไหนถือจะเรียกว่าเจริญปัญญาแล้วสมควรแก่ธรรมเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับถือจะสมควรแก่ธรรมถ้าเผลอๆเพลินๆทั้งวันแล้วถึงเวลาชั่วโมงนั่งสมาธิชั่วโมงกรรมฐานแล้วถึงจะมาเจริญปัญญาเรียกว่าไม่สมควรแก่ธรรมถึงเราเป็นฆราวาสเราก็ต้องถือหลักอันนี้นะว่าชีวิตนี้เพื่อการปฏิบัติธรรมต้องตั้งหลักอย่างนี้งั้นหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้น เ้าเป็นคารวาสเราต้องทํามาหากินถ้าเมื่อไหร่เราต้องทํามาหากินที่ใช้ความคิดในขณะนั้นโยกเว้นให้เพราะเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าทํางานทํามาหากินด้วยการใช้ร่างกายน ะ, จะเจริญสติได้ตลอดอย่างเช่นเราขวากถนนนะเป็นคนขวากถนนอยู่ข้างถนนเนี่ยจเจริญสติได้ทั้งวันเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกมันเห็นเลยร่างกายที่กวาดถนนอยู่นะั้นเหนื่เหนื่อยไม่ร้ายแค่ไหนนะ มันสักแต่ว่าร่างกายนะไม่ใช่จิตหรอกจิตไม่ได้เหนื่อยด้วยนะจิตเป็นคนดูเนี่ยเราก็ได้ปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยแต่ถ้าเราทํางานที่ใช้ความคิดวันๆต้องคุยกับลูกค้านะต้องประชุมต้องถกเถียงนะต้องเขียนเอกสารต้องล่างเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนเะพราะอย่างนี้เจริญสติไม่ได้เพราะเราต้องเอาสติของเราปัญญาสมาธิทั้งหมดนี้ไปจดจ่อกับงานเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเจริญสติไม่ได้ แต่เวลาที่เหลือเนี่ยเจริญสติได้ทั้งหมดเลยมี2 อ, อย่างเท่านั้นคือเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดกับเวลาที่นอนหลับสองเวลานี้แหละที่เจริญสติไม่ได้เวลาที่เหลือเจริญได้หมดกินข้าวก็เจริญสติได้นะเวลาเราอยู่กันเยอะๆเนี่ยถึงเวลาจะฉันข้าวต่อไปไปปวดแนละถึงเวลาฉันข้าวนะคนอื่นมันแย่งของดีไปหมดทุกโกรธเห็นไหมเนี่ยเรามีสติเรารู้ทันนี่เรื่องขอเราปฏิบัติอยู่นะเพราะเราพยายามฝึกเข้า ถ้าแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาหลับก็แล้วไปนะแล้วก็เวลาที่ทํางานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือ น, นั่นคือเวลาที่จะต้องเจริญสติเจริญปัญญาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยไปถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้นะมรรคนิพพานอยู่ไม่ไกลแนละถ้าเราไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจนะยังไม่ได้มรรคนิพพานหรอกได้แต่ความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่ถ้าความรู้สึกตัวก็ไม่มีอีกนะยิ่งไปไกลเลยไปอบายเลยนะ พยายามรู้สึกตัวไว้อย่างน้อยอะไรไม่ได้ก็รู้สึกตัวไว้หายใจไปรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกตัวได้เท่านี้ก็ดีสมไปละนะถัดจากนั้นก็มาเดินปัญญานะดูกายมันทำงานใจของเรารู้สึกตัวอยู่เป็นคนดูเห็นร่างกายมันทำงานดูจิตใจมันทำงานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูลงไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำ แต่คนส่วนใหญ่นะอยากได้มากผลนิพพานแต่ว่าย่อหย่อนในการปฏิบัติเหลือเกินผลัดปันประกันพรุ่งนะบางคนก็รอให้แก่ก่อนจะปฏิบัตินะไม่อาจจะไม่มีโอกาสแก่นะบางคนอนะ่ะไม่มีบุญอย่างหลวงพ่ออย่างคุณแม่ชีนี่นะอยู่มาได้หกติดกว่าแล้วนะพวกเราบางคนไม่มีโอกาสไม่มีบุญพอไม่ไปผลัดนะว่าตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่ต้องปฏิบัติ ตอนนี้ขออยู่กับโลกให้เพลิดเพลินกับโลกก่อนไม่ต้องปฏิบัตินั่นเป็นเรื่องของคนไม่ฉลาดเลยคนประมาทนะนั่นเราไม่ประมาทในวัยของเรานะชีวิตเราจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญหามาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเราซื้อบ้านมานะซื้อบ้านมาโอ้หผ่อนโสงแทบตายเลยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยไปอยู่บนหลังคาบ้านหลังคาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องลงเรือหนีไปอีกมันน้ำน้ำมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อีกใช่ไหม ความแก่จะมาถึงเราเมื่อไรความเจ็บไข้จะมาถึงเราเมื่อไรความตายจะมาถึงเราเมื่อไรความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะมาถึงเมื่อไรใครจะรู้เด็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อแม่ต้องอยู่ได้นิลันดร์ น, นะแต่เด็กไม่รู้เรื่องอไม่เท่าไหร่ผู้ใหญ่นะคนไหนมีลูกบ้างยกมือสิเคยคิดไหมว่าเราจะตายก่อนลูก เ, ออเคยคิดนะแต่คิดแบบไม่ชอบเลยใช่ไม คืออยากจะเลี้ยงลูกให้โตเสร็จแล้วก็ขอตายก่อนลูกก็ได้แต่ลูกต้องโตก่อนแล้วลูกกระจุ๊กกระจิกอย่างนี้นะตายตามไม่หลับแต่ใครจะรู้ว่าเราจะตายตอนไหนถ้าเราจะต้องพลัดพรากจากลูกเราในเวลานี้เรารับได้ไหมหรือลูกเราตายไปตอนเนี้เรารับได้ไหมรับไม่ได้หรอกรับไม่ได้รับไม่ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะการที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักการได้ประสบสิ่งที่ไม่รักเนี่ย ถ้าไม่ได้เคยฝึกฝนจิตใจมาให้เพียงพอนะทนทุกข์ไม่ไหวหรอกเพฉน้พวกเราไม่ประมาทนะความทุกข์จะมาถึงตัวเราเมื่ อ, อไหร่นี้เราไม่รู้เราต้องเตรียมพร้อมเียกว่าเราไม่ประมาทนะหายใจก็อย่าไปทิ้งเปเปล่าหายใจอย่างรู้สึกตัวไปนะยืนเดินนั่งนอนก็อย่าทิ้งเปเปล่ารู้สึกตัวไปเวลารู้สึกตัวขึ้นมาก็ดูไปเห็นร่างกายมันหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจตัวนี้เป็นเคล็ดลับสําคัญนะ เห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายกินข้าวเหมือนเห็นคนอื่นกินข้าวเห็นร่างกายขั บ, ถ, บถ่ายเหมือนเห็นคนอื่นขับถ่ายดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นด้วยๆดูจิตใจก็เหมือนกันมันมีความสุขขึ้นมา้วก็เห็นเลยความสุขเป็นของแปลปลอมนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไป กุศลมาแล้วกุศลก็ไปรอบโหลดลงมาแล้วรบโหลดโหลดลงก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยหัดดูของจริงในกายในใจของเราเนี่ยจนวันหนึ่งปัญญามันพอมันจะปิ้งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวร่างกายสุบร่างกายทุกก็ชั่วคราวมีไหมร่างกายทุกที่นี่รันดอนมีไหมเป็นมะเร็งนะ เจ็บปวดมากก็ไม่นิรันดร์หรอกมนุษย์ไม่เคยแพ้มาเร็งเลยนะสเสมอกันทุกทีอย่างมากก็สเสมอกันตายไปด้วยกันนะงั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเรานะดูไปทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวดูไปอย่างนี้ให้มากๆากถ้ายังไม่เห็นของจริงในกายในใจนะช่วยมันคิดก่อนก็ได้ทุกอย่างในชีวิตเราเนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่ฝึกอย่างนี้นะตั้งแต่ตื่นจนหลับฝึกทุกวัน หลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมเหมือนพวกเรานี้แหละหลวงพ่อปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นค า, ารวาสนั้นทํางานมากเลยแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี้ยร่างกายอยู่ท่าไหนรู้สึกทันทีเลยตอนที่กําลังตื่นนะจิตเคลื่อนขึ้นจากผวังนะเคลื่อนขึ้นมาปุ๊ บ, ป, บปุ๊บ๊เป็นสเต็ปสเต็ปเพมานะรู้สึกมาตลอดเลยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ยังไม่รู้รู้อะไรสัญญาทํางานปุ๊บถึงจะแปลได้ ่าร่างกายมันนอนอยู่ท่านี้จิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ค่อยๆเห็นขึ้นมานะไปกินข้าวก็รู้ทันร่างกายกินข้าวไปกินข้าวจิตใจเราเป็นยังไงเจอของชอบจิตใจเราเป็นไงเจอของไม่ชอบจิตใจเราเป็นไงดูอย่างนี้แหละดูกายดูใจของเราทั้งวันนะไม่นานมันก็แจ้งขึ้นมาว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงกายนี้เป็นของชั่วคราวจิตใจนี้เป็นของชั่วคราว ตรงนี้สำคัญพวกเราอย่าไปนึนกนว่าไม่สําคัญการที่เห็นว่ากายเราเป็นของชั่วคราวจิตใจเป็นของชั่วคราวธรรมะอันนี้แหละเป็นธรรมะระดับทโศดาบันนะทโศดาบันนะท่านจะเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาให้เห็นอย่างนี้เฉนั้นพวกเราค่อยดูของจริงดูสิจริงอย่างที่ท่านว่าไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจริงไหมความสุขเกิดแล้วดูสิความสุขจะอยู่ได้ถาวรไหมความทุกข์เกิดแล้วดูสิความทุกข์จะถาวรไหม ความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดูซิโลภ โ, ลโลกรธหลงมันจะถาวรไหมนี่ดูของจริงดูกันอย่างนี้น ะ, ะอดทนดูให้มากปัญญามันก็แจ้งขึ้นมาจนได้ฝึกเอานะธรรมะไม่ใช่ของฟลุ๊ต้องลงทุนต้างลงแรงชาวพุทธเราเป็นกรรมวาทีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีมีเหตุมีผล ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราก็ต้องทําเหตุของมรรคผลนิพพานพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาด้วยมีสติรักษาจิตก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปเคลื่อนไหวไปก็ได้สมาธิ มีสติเห็นกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหว <st it> ก็ได้ปัญญาฝึกอย่างนี้นะไม่ยากหรอกสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกคนได้มากผลหรอกนะศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนมีปัญญาเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแนละ้วแต่ทั้งในสมัยพุทธกาลศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาของคนส่วนน้อย อาจารย์สัญชัยเคยๆคยได้ยินชื่อสัญชัยปริพาชกอาจารย์ของอุปติสสะอาจารย์ของพระสารีบุตรพระโมคราสมัยที่ยังไม่ได้พระพุทธเจ้าแกบอกเลยว่าพวกคนมีปัญญาซึ่งมีจำนวนน้อยนะจะไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคนโง่จำํำนวนมากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สันชัยนั้นคุณแม่ท่านเดินถูกร่องรอยแล้วนะท่านมุ่งมาพัฒนาปัญญา ปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจของสังขารแม่หนึ่นงถ้าเราเห็นความจริงของสังขารได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นผู้ใดเห็นความเป็นอนิจจังของสังขารนะด้วยปัญญาจะเบื่อหน่ายในกองทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นผู้ใดเห็นด้วยปัญญานะสังขารนี้เป็นทุกเป็นอนัตตา ก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์นี่คือทางแห่งความบริสุทธิ์ผลไม่มีทางอื่นหรอกอ่ะเท่านี้ก็พอแล้วนะหลวงพ่อเทศยาวไปถ้าอาจารย์เจ้าะจะกรุณาให้มีคำถามได้หรือเปล่าเจ้ า, าค่ะได้ค่ะก็แม่ว่าถ้าอาจารย์ได้แสดงธรรมอย่างไพเราะในทั่ากลางเริ่มต้นลักที่สุดเลย แต่ถ้าใครยังมีคำถามนะคะคแม่คิดว่า่านอาจารย์ก็จะให้โอกาสมีไหมคะยกมือขึ้นก็ได้แล้วอ่ะไมโครโฟนสาวน้อยร้อยช่างของคุณยายจิตไหลไปถึ็นเธอบ่อยๆม <c oughs> <c oughs> ่าอินดูไหมเจ้าคะ่ะเจ็ดัวไม่เป็นเรื่องราวที่พวกเราก็เก็บไว้เป็นเจ็ดเจัวนะเ้าคะ่ะคนพอนาเก่งนะ หลวพ่อ เ, เคยเจอมีห้าขวบห้าขวบเขาบอกว่าเวลาเขาโกรธนะเขาเห็นความโกรธแต่ทําไมมันสั้นนิดเดียวโ อ, โอผู้ใหญ่โกรธแล้วยังไม่หายเลยนะเด็กมันบอกมันเห็นความโกรธนะมันสั้นนิดเดียวแบบฉับพลันเลยนะใช่ไหะเห็นมันใปัจจุบัน <c oughs> ผู้ใหญ่เห็นความโกรธแล้วปลูกไว้ปูกโกรธแล้วเอาคืนไมโครโฟนไปถึ ง, งหรือยังหลบ เรายกมือไว้ก่อนนะค ะ, ะครับนรสการหลวงพ่อครับขออนุญาตส่งการบ้านนะครับว่าผมทําสมาธิแล้วก็เรียนจงกรมแล้วก็ตามดูจิตนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยกรุษาแนะนำนะครับ จ, จ, จิตใจอยู่กับเนื้นอกับตัวไหมวันๆนึงอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับเป็นกิเลสบ่อยไหม เห็นบ่อยครับเวลาจิตไหลไปคิดรู้ไหมรู้ครับถ้ารู้ก็ใช้ได้ถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดจะได้สมาธิขึ้นมาถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันกิเลสล้วก็จะมีศีลขึ้นมาเคยเห็นไหมร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคนละนกันเห็นครับโอถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันได้แนละกายก็ทํางานจิตเป็นคนดูก็เดินปัญญาดได้ครับ ต, ต่อไปก็ทำธรรมะให้สงวรแก่ธรรมะขยันดูครับ ขณะนี้จิตเป็นปกติไหมตื่นเต้นครับเอ้ตื่นเต้นกดเอาไว้ไหมไม่ได้กดครับแน่นไหมไม่แน่นครับเหอจิตขณะนี้เคลื่อนไวหวเป็นปกติไหมไม่ปกติครับนั่นแหละกดไว้ครับจิตใจที่ปกตินะธรรมดาที่สุดเนี่ยดีที่สุดเวลาตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นเราก็ไปบังคับมันครับ ถ้าไปเราเปลี่ยนเราไม่บังคับหรอกแต่เราคอยรู้จิตโลภขึ้นมารู้จิตโกรธขึ้นมารู้จิตหลงขึ้นมารู้แต่เรามีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่รู้อย่างเดียวหรอกถ้ามันจะโรกรุนแรงโกรธรุนแรงหลงรุนแรงแล้วจะจะทำผิดสีนี่เราไม่เอาแต่ถ้าอย่างเนี้ยตื่นเต้นเจอหลงข้อตื่นเต้นกดเอาไว้เราก็รู้ทันนะไม่ต้องไปกดหรอกค ข, <อ>ขอบคุณแม่ครับ บบกับพระคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะมีท่านใดอีกไห้หรืคือแม่ว่าเราพอมีเวลาแล้วก็การตั้งคำถามออดเชิญเลยนะคะออดเชิญเลยค่ะไม่เห็นผู้ถามเลยอ่าจ้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไห น, อ, นอยู่ด้านนี้ค่ะค่ะก็ไม่เคยส่งกันบ้านนะคะแต่ว่าฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณสี่ห้าปีแล้ว แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีมาเป็นระยะนะคะอยากจะรบควณถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่พอใช้ได้หรือยังนะแล้วก็มีอยากได้กันบ้านจากหลวงพ่อค่ะเวลากิเลสเกิดแล ร, รู้ทันไหมล่ะก็พอรู้อะคะ่ะแล้วเวลาเราจะทำผิดศีลเนี่ยเราละอายใจไหมละอายค่ะก็ออ น, นี้พัฒนานะอย่างคนทั่วๆ่วไป ไม่เคยถือศีลทาผิดศีลหน้าตาเฉยการที่เรามีสติรู้เท่าทันตัวเองจะทําผิดศีลที่มาละอายใจอนนี้ถือว่าพัฒนาจิตใจอยู่กับเนนะื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหมก็บ่อยขึ้นอ่อออย่างนี้นก็พัฒนานะกายกับใจแยกกันไหมเป็นคนแยกกันค่ะเราเห็นไหมกิเลสกับจิตว่าคนละนันกันเห็นกิเลสค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าแยากกันหรอือเปล่า ไม่ได้ใจก็หัดดูต่อดูดูบ่อยๆดูเป็นสบายการปฏิบัติเนี่ยให้มุ่งทำเหตุให้เต็มที่อย่าอยากได้ผลถ้าระหวังว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสติเมื่อไหร่จะบรรลุสติใม่บรรลุหรอกแต่ถ้าทำเหตุให้เต็มที่ทาเหตุให้สมควรนะผลมันก็มาเองขอยันดูไปด้วยบัรญามก็เกิดเองแลหละไ้ฝึกต่อนะ แล้วที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกแล้วล่วะแล้วมีการบ้านให้ดูไหมคะหรือว่าหนูต้องขี้โมโหไหมขี่โมโหเออหัดรู้ทันนะเวลาจิตมันโมโหขึ้นมาโมโหขึ้นมามันจะว่าคนอื่นไหมชอบพูดเยอะเหรอเออนะให้รู้ทันตรงนั้นแหละนะเป็นจุดอ่อนของเราเราก็รู้ทันเอานะอค่ะ อาจารย์เช้าคะไม่มีคำถามที่เป็นกระดาษโยมขออนุ ญ, ญาตอ่านนะเช้าคะในขณะที่รอท่านอื่นเกิดจะมีคำถามผู้ถามนี้คงเป็นผู้ชายพระองท้ายว่าครับค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อครับลูกชายอายุหกขวบเห็นจิตเกิดดักมากมายอยากจะละผมก็แนะนำให้แค่รู้แต่ลูกสมาธิไม่พอบอกว่า รู้ทันแล้วไม่ไดับก็รู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆแต่ลูกทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกชายควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้อยู่กับจิตที่เกิดดับโดยไม่ทุกข์ก็ให้เขารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางจิตเขาไม่ชอบไม่ชอบที่มันเกิดดับอยู่อย่างนี้อะไรจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปว่าไม่เป็นกลาง การปฏิบัติกันหัดดูจิตดูใจของเรานะหรือกระทั่งดูกายก็ตามเมื่อตอ้นเราเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปแต่สุดท้ายเนะี่ยมันจะต้องเข้ามาสู่คําว่าเป็นกลางนั้นในสติปัฏฐานเนะี่ยก็เริ่มจากกายเยกายานุปัสสีวิหรติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือเป็นบ้านไม่ใช่เป็นพูกเป็นบ้านให้จิตอาศัยอยู่หมายถึงว่าเวลาที่จิตไม่มีธุระจะไปทําอะไรก็มารู้สึกในกาย หรบางคนก็มาใช้จิตเป็นมิหาาธรรมไม่มีอะไรทมก็มารู้สึกอยู่ที่จิตมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติถอดทอนความยินดียินร้ายในโลกด้ในกายในใจนี่ออกเสียงั้นเบื้องต้นเนี่ยให้หัดรู้กายรู้ใจไปแต่ถ้าจิตมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแทรกซ้อนขึ้นมาให้รู้ทันอย่าถ้าเด็กเขาเห็นสภาวะเห็นจิตเกิดดับเยอะแยะเลย แล้วเขาอยากให้พ้นไปเนี่ยแสดงใจเขาไม่เป็นกลางเขาอยากให้พ้นไปให้รู้ทันก็ไม่เป็นกลางนี่สําคัญนะครั้งหนึ่งพระนุรุตเนี่ยพระนุรุตเนี่ยได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วได้ที่พระจักสุขพระนุรุตเนี่ยในประวัติท่านนะห้าสกว่าปีห้าสิห้าปีเนี่ยท่านไม่เคยนอนเลยทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่มีใครไปยุ่งกับท่านไม่มีทุราอะไระท่านจะดูสัตว์ที่ทั้งหลายที่ตายแล้วไปเกิดที่โน่นที่นี่อะไรนะท่านเห็นสัตว์ทั้งขันโลกกธาต เรเกิดดับตั้งพันโรคกระท่านในเวลาครู่เดียวนี่ท่านก็ไปถามพระสารีบุตรว่าถ้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกระท่าตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทําไมผมไม่บรรู้พระอรหันต์สติพระสารีบุตรท่านก็แจกแจงให้ฟังการที่ท่านคิดว่าท่านมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นกิเลสชื่อว่ามานะกูเก่ง กูเก่งกูเก่งท่านเที่ยวดูโลกกระทตั้งผัานโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวเป็นกว่างฟุ้งซ่านทำไมไม่ดูกายดูใจตนเองเนะมื่อดูออกนอกการที่ท่านรู้สึกว่าเมื่อไหร่ทำไมไม่บรรลุพระอราหารันต์สักทีนั่นเป็นกิเลสชื่อกุกกุจจะเป็นความรำคาญใจใจไม่เป็นกลางนะมันมีความรำคาญใจขึ้นมาหงุดหงิดใจงั้นพวกเราหัดรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยรู้อย่างที่เขาเป็น ถ้ามันเกิดยินดีให้รู้ทันถ้ามันเกิดยินร้ายกับสภาวะให้รู้ทันนะงั้นเด็กนี้เขายินร้ายกับสภาวะกําลังจะถามท่านอาจารย์อยู่พอดีว่าเด็กหกขวบเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าให้รู้ทันตานทีท่านจารย์ตอบแล้วนะเจ้าค่ะบอกว่าคือพอใจก็รู้ทันไม่พอใจก็รู้ทันเนี่ย ถ้าเราจะสอนเด็ก7ขวบซึ่งโยมก็ให้ความสนใจกับเด็กๆมากว่าคือเขาใสาในสิ่งที่เขาจะจะไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่นั่นถ้าอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าเรากำลังอยู่กับเด็กผู้หญิงห้าหขวบมเยอะมาก <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมติว่าคำว่ารู้ทันเนี่ยถ้าอาจารย์เจ้าขา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบทพุทธสวิการขั้งนี้ไม่ฉีพี่เลี้ยงก็จะได่นำเทคนิคที่ท้าอาจารย์จะบอกกับเด็กเนี่ยเอาไปใช้ด้วยจะบอกว่าจิตเป็นการกับเด็กขนาดนี้เรื่องยังไงเ้าคะเนี่ยเรื่องสอนเด็กนะหลวงพ่อระจดปัญญาจริงๆ <laughs> <laughs> แต่เคยวิธีดีนะคือคนที่ฟังสีดีหลวงพ่อพอขึ้นรถนะก็เปิดซีดีลูกเล็ก ฟังทุกวันทุกวัอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าเขารู้ไหมวันหนึ่งแม่ขับรถอยู่แล้วใจลอยนะมีรถปาดเลยเขาหงุดหงิดขึ้นมาว่าแม่โกรธแล้วคือเด็กเนี่ยเวลาเรียนธรรมะนะบางทีค่อยๆสัมผัสนะค่อยๆสัมผัสเราไปพูดบรรยายเหมือนเลคเชอร์ให้นักศึกษาฟังเนะี่ยเขารับไม่ได้เนะีงั้นคุณใหญ่ ทำให้เด็กดูแล้แหลดีแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราก็พยายามทําให้เด็กดูมีความสุขอยู่กับการทํางานแต่หลางๆก็มีปัญญานะใช่คะถ้าจะให้ให้คะแนนก็ต้องบอกว่าง่ายที่สุดคือเด็กมากที่สุดก็ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเด็กจะเข้าใจคําว่าเห็น แต่ไม่ลงไป็นคุ้คร<ม>ีในภาษาของเด็กก็เจ้าเอ๋คือเห็น<ม>แล้วพ่อก็ใบบา้า<ม> <c oughs> คือหมายความว่ามันมาแล้วมันไปมันคลายคืนเองแล้วก็เลยใช้คำเหล่านี้ต้องถามคุณยายอย่างนี้แล้วข่ <c oughs> ามหลวงพ่อแล้วคุยกับเด็กไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> มีคําถามอีกไหมครแต่สังเกตยอย่างนะ <c oughs> ท่านแมชีคืออย่างเด็กเนี่ยถ้าเราสอนธรรมะเนี่ยถ้าเราเขี้ยวเข็นนะเขาต่อต้านเจ้าค่ะใช่ค่อยๆให้เรียดทีละนิดทีละนิด เป็นธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดหลวงพ่อเรียนธรรมะม า, มาผู้ใหญ่นะตอนนั้นหลวงพ่ออายุยังไม่ขวบหนึ่งเลยพอเข้าพรรษาหลวงพ่อเกิดเดินพันวาเข้าพรรษาปีต่อมาเนขะยังไม่ครบขวบหนึ่งนะผู้ใหญ่เนะี่จะใส่เบาะไปไปวัดนะไปฝากพระเทศใหม่ก่อนนะเข้าพรรษาเนี่ยพระเทพทั้งพรรษาเลยเอาเราไปวางไว้ข้างๆธรรมะเนี่ย จะโตขึ้นมาแล้วก็ไปวิ่งเล่นในวัด ต, ตอนไหนพระเทพมีนิทานชาดกเราก็วิ่งมาฟังตอนไหนเบื่อเราก็ไปวิ่งไปเล่นนี่เรียนธรรมะ ม, มาแบบนี้นะเป็นธรรมชาติแต่ของท่านแม่ชีเด็กมันเยอะ <c oughs> <c oughs> ถ้าปล่อยไปเลยกะชุล <c oughs> <c oughs> ม, มุนก <c oughs> ็นี่วันแรกเจ้าค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาเขามีบุญนะเจ้าค่ะที่ได้นั่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้เรียกว่านานที่สุดแล้วนะเจ้าค่ะใช่ หลายคนอาจจะอมยิ้มว่าโอดเอถอคานท่านหนึ่งคนออกอีกสามคนจะออกถ้าคุณยายหันไปมองเขาเห็นตาอาจจะสักนิดหนึ่งแต่จริงๆเราก็ไม่เคยท้อใจกับเรื่องเด็กเพราะเราทำโครงการจิตประพัฒนสอนตั้งแต่นอนอยู่ในคันเนี่ยเราคิดว่าเด็กดีพร้อมที่จะเกิดเสมอถ้ามีพ่อแม่ที่ดีรองรับเจ้าค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าที่ท่าอาจารย์บอกว่าท่าอาจารย์ มีบุญที่ได้เข้าไปนอนอยู่ข้างธรรมะตั้งแต่เด็กๆอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่คนคนรุ่นพวกเราเนี่ยจะได้โอกาสแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยเรื่องแ่บนี้เข้ายากค่ะยาก ก, ก็ก็เห็นใจอยู่เพราะว่าพ่อแม่ก็หมัวแต่ธรมาหากินก็เลยเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อยมีคำถามอื่นอีกไหมคะท่า ส, สวัสดี ค, <ำ>ครับอ้อจากยู่ตรงไหนะรับ ขอการนะครับการเตรียงพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับอยากทราบว่าในพุทธวจนะนะครับพระพุทธเจ้ากล่าวถึงการความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับท่านมีหลักการอย่างไรบ้างครับที่ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนนะครับอะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ค่อยออกหลักการปฏิบัติธรรมในความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะครับพระพุทธเจ้าได้สอนให้ ด, ดูวิธีการปฏิบัติธรรมของตัวเองว่าเป็นความก้าวหน้าเป็นยังไงครับคือใช้ใช่หลักอย่างนี้นะว่าถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยอกุศลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยลดลงไหมอกุศลใหม่เนี่ยเกิดได้น้อยลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมกุศลที่ยังไม่เคยมีมีขึ้นไหมเราวัดความก้าวหน้ากันด้วยพัฒนาการทางจิตใจนี่แหละแล้วลวินิจญูชนรู้ด้วยตนเอง เราวัดใจของเราได้แต่เดิมกิเลสเรารุนแรงนะอยากได้อะไรเขาเราก็ทำร้ายเขาแย่งชิงเขาไดนะ้แต่มาเราทำไม่ได้แล้วรู้สึกละอายแก่ใจคือถ้าทำชั่วยากขึ้นทำดีง่ายขึ้นนะก็ดีขึ้นแหละครับพระพุทธเจ้าท่านบอกนะถ้าไม่สนับสนุนการหยุดนิ่งของความดีนะ ถ้าเคยดีอยู่แค่นี้แล้วปีหน้าก็เท่านี้นะ่ะท่านไม่สรรเสรนะิญนอกเราต้องคอยวัดใจของเราอันนี้ที่ท่านบอกว่าวินยูชนรู้ด้วยตัวเองใครจะมารู้ใจเราดีเท่าเราเองคอยดูเลยเราถูกกิเลสลากไปได้รุนแรงไหมอุสรมีมากขึ้นไหมศีล ส, สมาธิปัญญาของเราดีขึ้นไห ม, าหาไหมอายกราบนมำสกาหลวงพ่อช้ะคะอที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อว่ารู้สึกว่าจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง ก็สามเดือนแล้วในขณะที่ฟังธรรมหลวงพ่ออยู่เนี่ยเออจะมีอาการสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในภายใน อ, อยากขอคำแนะนำว่าช่วงนี้โยมควรทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำอย่างที่ทำแหละนะค่ะทำไปเรื่อยไม่ยอ่อหย่อนเท่าแล้วกันค่ะไม่ยอ่อหย่อนเพราะทำทุกวันเจ้าค่ะทำไปค่ะทำแล้วมันจะได้กำลังเจ้าค่ะ ก็คือมันไหวแบบจนิดว่าพอยมนั่งภาวนาปุ๊บก็จะไหวอยู่คือมากกว่าธรรมดาเร า, เราอย่าถลำลงไปที่ไหวๆนะเจ้าค่ะเออเห็นมันไหวเราอยู่ห่างๆาค่ะ ก, ก็ก็ดูว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะแล้วเวลาที่จิตจะพักเนี่ยต้องทำความสงบเข้ามาทำสมถะถึงจะได้พักเจ้าค่ะจิตที่เดินปัญญาได้ละเอียด จะเห็นสภาวะความไหวขึ้นภายในทั้งวันทั้งคืนเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะจะไม่ขาดเลยดูย้วยก็ไม่หมดเลยเจ้าค่ะเพราะนั้นมันเหมือ น, น, น, นแห้งแล้งจะไม่มีที่พักนะสิ่งที่จะช่วยให้เรามีที่พักในการปฏิบัติที่เมื่อถึงจุดนี้คือการทําความสงบเข้ามาทําสมถะบ้างค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะมันจะไม่ใช่โลบโกรธลงแล้วเจนความสั่นสะเทือน โลกาธาตุที่เราเห็นอยู่เท่าโลกาธาตุนี้เปนแค่คลื่นของความสั่นสะเทือนเท่านั้นเองขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงพ่อเ อ, อเอได้ภาวนาตามปกติเหมือนที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าในชีวิตประจําวันก็มีวิหารธรรมแล้วก็นั่งสมาธิตอนเย็ น, ตอ น, นตอนเช้าเดินจงกรมวันหนึ่งสามรอบนะเจ้าค่ะวันละรอบรประมาณสี่สิห้านาที ผลที่เกิดมาก็คือขณะที่ในชีวิตประจำวันที่ที่ใช้น่ะมันเหมือนกับขณะที่มือเราพายออกไปอย่างเนี้ยมันจะรู้เบาๆไปหมดอืแล้วก็เวลาเพอเพอเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุใดๆเนี่ยนะคะสมมตุติว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดไหลออกมากายมันแยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนเห็นท่าน้ําที่มันไหลออกมามเหมือนมีจิตตั้งขึ้นมาแข็งแรงเป็นผู้ดูแล้วก็ไม่ได้มีความ อะไรอวรในออในความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรออทําไปตามเหตุตามปัจจัย เ, เป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งเป็นมากแล้วเห็นตัวเองเนี่ยออกห่างห่างจากจิตกั บ, จ, กบจิตกับอร่างกายเนี่ยมันห่างห่างกันออกมาความทุกข์ที่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ามาเข้ามานนัวในหัวใจได้ เ, ออเป็นเวลานา น, านพอสมควรออแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จะกลับมา ม้วนรวมกันอีกเอ ก, กภาวนาแบบนี้มาตลอดแล้วก็ช่วงหลังมีสภาวะของตัวเองคือป่วยไม่สามารถที่จะไปวัดได้บ่อยๆเหมือนเดิมก็เลยถือโอกาสส่งกัน่านหลวงพ่อว่าลูกพัฒนาเป็นยังไงเดินผิดทางหรือเปล่าเจ้าคะไม่ผิดหรอกนะต้องต้องดูเอาแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นแยกออกมาจากขันเนี่ยเราก็ต้องค่อยสังเกตว่ามันแยกออกมาโดยที่เรารักษาไว้หรือเปล่า ต้องไม่ได้รักษาไว้เขาแยกเองส่วนใหญ่มักจะตั้งขึ้นมาแข็งแรงตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมันตั้งขึ้นมาเฉยๆเองโดยที่ไม่เกาะตัวเลยถ้าจะตายก็ช่างมันก็ทิง้งเฉยๆอย่างนั้นเรี่ยงนั้นถึงใช้ได้เจ้าค่ะเป็นอัตโนมัติค่ยดูตัวหนึ่งก็แล้วกันโทรสารมาอย่างแทรกได้ก็กรูปทันเอาเจ้าค่ะขอพบพนระคุณเจ้าค่ะธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอถวายการปฏิบัติบูชาคุณพ ร, ระเจ้าและคุณหลวงพ่อเจ้าคะา่ะในช่วงที่ผ่านมานี้ยเจ้าค่ะรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นมีความรู้สึกตัวกับความโกรธแยกออกจากกันได้อย่างรวดเร็ ว, รวโกรดน้อยลงรู้สึกถึงความโกรธได้เร็วขึ้นก็คิดว่ามีความพัฒนาขึ้นก็จะมาถวายการปฏิบัติรบกวนหลวงพ่อแนะนําเจ้าค่ะสาธุนะดีแล้วล่ะ แต่ว่าทุกวันเราทําในรูปแบบด้วยไหมทําด้วยจ้ะทำนะไม่จริงนะทำแบบดีแล้วล่ะจิตขนาดนี้ถึงฐานไหมลอยๆไปอยู่ที่หลึ่งท่อจะตออกนอกจิตออกนอกเรารู้ว่าจิตออกนอกจิตที่ดีนะต้องตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นไว้นะดีโอเคค่ะนี่ไปบวชกันนานไหมไม่ไปบวชกัน ดเดือนละนี่จะบวชชีหมดเหรออ๋อพรุ่งนี้มาปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้ค่ะจะมีกลุ่มพวกนี้เพิ่งมาวันนี้วันแรกเพื่อจะมาดูว่าจะสอบผ่านเพื่อจะบวชได้หรือเปล่าถ้าอาจารย์ว่าสอบผ่านไหมเจ้าค่ะผ่านผุ่ญญายเมตตาซะขนาดนี้ตอนนี้ต้องบอกเหนื่อยเป็นอารมณ์กรรมฐานเจ่าค่ะก็เด็กๆมาส่วนผู้ใหญ่ที่จะไปที่อินเดียหกสิบหกสิบ สามเนี่ยเทรนไปแล้วกลุ่มหนึ่งเจ mm ้า hmm. ค่ะแต่อยากอยากกลับเรียนถามท่านอาจารย์เพื่อให้เป็นกําลังใจห ล, หลานๆหลานฟังนะคะคนดีหลานก็ตอบเมื่อบ่ายนี้เจ้าค่ะว่าการบวชของเขาเนี่ยจะมีอนิสงส์อะไรถึงพ่อแม่เขาก็โดยส่วนใหญ่ห ล, หลานๆบอกว่าบวชเพื่อให้ได้บุญให้พ่อแม่มีความสุขท่านอาจารย์กรุณาหยอดสักหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะโอยสอนเด็ก เอาอันดิสงของกันบวชให้เด็กนิดเดียวก็ได้เจ่วค่ะเราบวชเราไม่ได้ไปบวชเล่นๆหรอกเนาะบวชเรามาฝึกตัวเองนะให้เป็นคนดีถ้าเราฝึกตัวเองเป็นคนดีได้พ่อแม่เราก็ชื่นใจนั่นแหละพ่อแม่ถึงจะได้บุญถ้าบวชแล้วเราไปสนนะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหรหรอกหลวงพ่อสอนเดี่ยวเด็กเลยไม่บวช แต่คําเ ด, ดชเจ้าค่ะถ้าบวชแล้วเร า, <c oughs> เ, ราเรามองว่าห ล, ลานๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่คือพูดจริงๆพาพ่อแม่เข้าวัดนะเจ้าค่ะ <c oughs> ใช่ลแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าอัศจริย์อยู่อย่างหนึ่งว่าพอประกาศแล้วเนี่ยรับวันเดียวก็จะเต็มเลยเพราะเนื่องจากว่าภาคเรียนเนี่ยเด็กผู้ชายจะได้โอกาสผู้วัด <c oughs> เป็นสมณีนแต่ในขณะที่ผู้หญิงได้มาเป็นพุทธสาวิกาเนี่ยเพิ่งทําปีนี้เป็นปีที่สาม มีเด็กที่กลับมาบวชซ้ำแล้วพ่อแม่ก็ส่งการบ้านว่าหลานออกไปแล้วเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้น mm hmm. พวกเราก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเดี๋ยวคณะทำงนานจะเอาคำสอนของท่านอาจารย์ที่เมื่อกี้นี้ mm hmm. ได้ได้กล่าวเนี่ยไปลองไปลองทำให้มันง่ายๆเจ้าค่ะแต่มีประโยชน์นะเจ้าค่ะท mm hmm. ่านอาจารย์แค่ยังอนุ ญ, ญาตให้เขานั่งอยู่ตรงนี้ได้โยมก็ mm hmm. เป็นบุญของเขาแล้วะเจ้าค่ะ หลวงพ่อคะมีเด็กชายมาร์อายุหกขวบขอส่งกันบ้านปิดท้ายค่ะนรัมศการครับหลวงพ่อฮานี่เหล6ะ6หขวบพอดีลูกอายครับไม่กล้าส่งก็เมื่อกี้ที่เขียนจดหมายถึงหลวงพ่อนะครับก็เลยอยากเรียนถามเขาได้ส่งแต่แน่ใจว่าเขาจะพูด ห, หรือเปล่าให้หลวงพ่อเห็นหน้าเขาหน่อยสิ ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็ไม่ค่อยเป็นกลางกับสภาวะแล้วก็ทําให้เวลาเขาอยากละความโกรธก็รู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกลายเป็นคิดซ้อนคิดจนเขาทุกข์รู้ว่าเขาทุกข์อะไรตัวเองก็ปัญญาน้อยเลยอยากจะมากราบหลวงพ่อว่ามีเด็กเด็กพอนาเก่งนะพอนาใช้ได้เลยให้ก็รู้ใจที่เขามันดิ้น มันไม่เป็นกลางรเราไปหาภาษาที่สอนลูกได้ก็แล้วกันไปสอนพุทโธแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยถูกกับจร<ม>ิตเขาเท่าไหร่เด็กขยันคิดพุทโธเอาไม่อยู่ครับแค่ก็ดูอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะอย่าไปเร่งรัดเด็กครับที่ฝึกได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะครับสถานรรขอบคุณครับคําถามสุดท้ายแล้วเหรอเจาค่ะ ใช่ใ่ยังจอยเขาว่าอ่างั้นจ่ออยอยู่ตรงไหนน่นอคือจอยเขาบอกว่าอนุญาตให้สักสิบคำถามแต่ว่าคำถามของทุกท่านยอมถึงว่าเป็นประโยชน์นะเจ้า้าแล้วก็เป็นเป็นการเหนือนสอนให้กับคนที่มาฝึกปฏิบัติใหม่เนี่ยได้เข้าใจว่าจะตามดูอย่างไรถ้าอาจารย์เจ้าขาคำสอนที่บอกว่าการเป็นอริยะเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ถ้าเรารู้ว่าพอใจก็รู้พอใจไม่พอใจก็รู้ไม่พอใจหรือลังเลระหว่างพอใจไม่พอใจก็รู้ถามอย่างเี้ยนะเจ้าคะ่ะก่อนที่ท่านอาจารย์จะจบการแสดงธรรมตรงนี้เนี่ย อ, อ, อยากถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์วางภาพทีต่อจิตยังไงเจ้าคะ่ะในเวลาที่เราเห็นว่าเรามีสิ่งที่มากระทบ แล้วสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันไม่ได้เป็นความยุติธรรมอันนี้อยู่ที่เราฝึกนะถ้าเราฝึกมากพอเนี่ยโ ล, โลกเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงจิตมันเหมือนแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ร้อนแรงแค่ไหนก็ตามนะมันผ่านไปในอากาศอากาศไม่ร้อนขึ้นหรอนี่จะอยู่ที่พวกเราต้องฝึกจะเห็นความจริงของโลก สิ่งที่เป็นโลกนะมันจะเป็นของที่เป็นคู่คู่เสมอมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญมีนินทามีสุขมีทุก์โลกเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรคงที่เลยทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าใจของเราฝึกจนเราเห็นความจริงว่าโลกเป็นอย่างนี้นะมันเรื่องธรรมดาแล้วฝึกจนมันธรรมดานะมันจะไม่มีอะไรแล้วคนยังสงสัยนะแล้วหลวงพยิ้มอยู่ได้ทุกวัน พราะถ้าอาจารย์เห็นโลกเป็นธรรมดาใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกใช่ไหมเจ้าค่ะอยางเข้าใจโลกอย่างเข้าใจโลกเข้าใจโลกจ้เข้าใจโลกเช้ค่ะโยงก็โยงก็รู้สึกมีถ้าอาจารย์เป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าการมาของท่านอาจารย์ในในครั้งนี้เนี่ย<ม>พวกเราเองก็ได้วิธีการปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชาต่อท่านอาจารย์ด้วยอ ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นการพูดเอาไว้เกินก่อนก็คือถ้าเผื่อถ้าอาจารย์จะมีโอกาสที่เราไปรอคิวไว้ถ้าอาจารย์จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาที่เสถียรธรรมาสถานตามที่เราจะทำจะไหมเชิญไปอีกปีกว่าปีกว่า <c oughs> ใช่ไหมเจ้าค่ะรายการมันแน่นเยียดเลยเนะครับถ้าอาจารย์รักษาสุขภาพยังไงโดยเจ้าค่ะรักษาสุขภาพนะสุขภาพจิตเนี่ยมันดีมาก มีความสุขสงบร่างกายก็รักษาไปตามสภาพเนะี่ไม่เจ็บป่วยอะไรแต่เริ่มแก่แล้วถ้าเป็นคนในโลกก็กเกษียณแล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช่คนในโลกเรายังไม่กเกษียณใช่ไหมเจ้าคะ เดี๋ยวพวกเราจะจะรอคีบเอาไว้ท e ่านนายชีพูดจะจริงจบตกเลยนี่จกตกใจล้านล้านค่ะคุณยายจะเป็นผู้แทนไปถวายกันเทศเด็กๆสงใจหรือให้ให้โยนนให้ให้ท่านนายชีใช้ประโยชน์อันนี้อันนี้ให้คุณแม่ ใช้ภาคคุณแม่นั้นก่อนขอบคุณมากนะโทวนักบวดด้วยกันอ่ะหลูก็ให้ก่อนก่อนนะ <c oughs> ก็ต้องไปละไปอีกหลายชั่วโมงแหล <c oughs> ะอย่าถาวาริวหาปุราบริภูเรนเตสาขรังเอวาเมวาอีตโตทินังเปตานังบุปกะปติอิชิตังปฏิทังตุมหังคิประเมว่าสมิจชตุ สัพเพกูเรนตุสังกป่าจันโทปนรโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัติฉันตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโภภวะอาภิวาทนาสีลิสนิตจังวุทาปจจายโนจตตาโรธัรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง หลวงพ่อสังเกตเด็กนะตอนเทศเนี่ยเขายุกยิยกยแต่ตอนให้พรนิ่งอย่างอย่างนี้มีราคาไอ้ยจ้าท้ารับพรโดยไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่นี่คำชมนะคะหลานรักอักราบท่านอาจารย์พร้อมกันกราบหลวงพ่อพร้อมกันดูขเขาขึ้นอัญชริีวันชนาอัพ